สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนิตกรคุณชอบเล่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากคุณย่าใจดีนะครับและเนื่องจากว่าคุณย่าเป็นสุภาพสตรีครับผมขออนุญาตใช้สรรพนามแทนตัวว่าเรานะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวของคุณย่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับพร้อมกันแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของคุณย่ากันคุณย่าก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าวันนี้เราอยากจะฝากเรื่องราวที่เกิดที่จริงเมื่อ20กว่าปีก่อนให้ฟัง เป็นเรื่องราวตอนที่แม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ขณะนั้นแม่เราอายุ65ปีแม่อยู่ตัวคนเดียวมีอาชีพทําไร่ทําพวกพริกพวกไฟถือว่าแกเป็นคนที่แข็งแรงมากด้วยเพราะว่าแกเป็นคนที่อารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาด้วยและแกก็ยังชอบเรื่องขององค์สงเจ้าเข้าทรงตามภาษาชาวบ้านธรรมดาทั่วไป น, นั่นแหละซึ่งตัวเราเองก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรกับแกหรอกสิ่งที่แม่ชอบที่แม่สนใจที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ไม่ว่ากันตอนนั้นเราทํางานที่ต่างจังหวัด ก็เลยมีความจําเป็นต้องนําหลานไปฝากให้แกเลี้ยงไว้ให้อยู่ในไร่ด้วยกันแล้วก็ทยอยส่งเงินให้แก่ใช้ทุกเดือนใจซจิงก็ไม่อยากจะห่างลูกห่างแม่หรอกแต่มีความจําเป็นซึ่งลูกก็อยู่กับยายแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยและเมื่อถึงช่วงที่หยุดงานได้ก็คิดถึงลูกคิดถึงแม่ไม่รอช้าเราเรียบเดินทางกลับไปเยี่ยมลูกและแม่ทันทีร อ, อกเดินทางตั้งแต่เช้ากว่าจะเดินทางไปถึงบ้านแม่ได้ก็เล่นเอาเสเย็นเลยรู้สึกเหนื่อยและเพลียมากๆ แลเมื่อเดินทางไปถึงพบเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเราก็ขอตัวนอนก่อนเลยมันเหนื่อยซึ่งแม่และลูกก็เข้าใจไม่ว่าอะไรเวลาช่วงที่เรานอนตอนนั้นก็ประมาณใกล้จะหกโมงเย็ยนแล้วแหละก็รู้อยู่แล้วว่าโบราณเขาห้ามไว้ว่าห้ามนอนเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นช่วงเวลาที่ผีตากพระอ้อมแต่ด้วยความเพลียเอาไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็ปล่อยหลับไปอย่างง่ายดายเรานอนเราก็รู้สึกสบายกำลังคเคล้มปล่อยใจวางกายให้คลายลงเราถึงบ้านแล้ว ลระหว่างที่เรากำลังนอนสบายอยู่นั่นเองคล้ายกับว่าเรากำลังจะตื่นหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้อยู่ๆก็มีอาการระบัดตื่นๆขึ้นมารู้สึกบรรยากาศรอบกายมันอึดอัดพิกยทำไมมันเย็นอย่างนี้นะสัมผัสได้เห ม, มือนกับว่ามีใครมายืนอยู่ที่หัวนอนเราก็ค่อยหลีตตาลืมขึ้นแล้วก็ชำเลืองตามองขึ้นไปเฮ้ยอะไรนั่นเราเห็นสิ่งหนึ่งมีคนยืนอยู่จริงๆด้วยที่หัวนอนเราใครก็ไม่รู้ใส่เสื้อผ้าสีเขียวอ่อนด้วย เป็นสีเขียวแบบตองอ่อนคือใบตองอ่อนนั่นเองเราพยายามมองให้เห็นหน้าแต่ก็ไม่สามารถจะจำเลืองไปถึงได้ใครนะใครมายืนอยู่ที่นี่เนี่ยเราพยายามคิดเอ๊ะหรือว่าเราฝันไปแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะแล้วตอนนี้ทำไมมันหนาวเยน็นจนขนลุกตั้งแต่ท้ายถอยเลยระหว่างที่เรากำลังงงงวยกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับตัวเราอยู่นั้นพลันก็มีเสียงร้องขึ้นว่าออกไปออกไปจากบ้านกูเราสะดุ้งโหยงแต่ขยับไม่ได้ สิ่งที่ได้ยินเหมือนกับว่ามัตจะโกนใส่หูเลยพญายามมองให้ออกว่าเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายแต่แปลกมากไม่ว่าจะพญายามมองยังไงก็มองไม่ชัดเราแข็งใจดิ้นดีดตัวลุกขึ้นมานั่งจนได้หันมองซ้ายมองขวาและรอบกายมันก็หายไปแล้วเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยตอนนี้เวลาก็มืดลงพอดีเราเรียบลุกขึ้นไปล้างหน้าหลางตาให้สดชื่นพอเจอหน้าแม่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วกลัวว่าเด็กๆจะกลัวกันเป็นอันว่าคืนนั้นเราก็นอนรวมกับครอบครัวเราเป็นปกติ แล้วพอซช้าขึ้นมาเราก็เลยเรียบเล่าให้แม่ฟังใส่ชุดสีเขียวอ่อนหรอแม่ถามทุนเราอีกครั้งแล้วแกก็นิ่งไปสักเดี๋ยวหนึ่งเหมือนกับใช้ความคิดจากนั้นแกก็ทำการเปิดกุญแจตู้และหยิบอชุดที่ไปตัดมาใหม่ให้เราดูซึ่งมันอยู่ในพานแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยป่าที่อยู่ข้างบ้านพาไปรับขันจะพอบอกให้แม่เป็นร่างทรงก็เลยให้ไปตัดชุดสีเขียวทองอ่อนเราเห็นแล้วขนลุกเลย เราไอ้ชุดี่อยู่ในผานนี้เป็นสีเดียวชุดเดียวกับที่เราเห็นเมื่อวานและแม่ก็ยังเล่าต่ออีกว่าการตัดโดยงั้นที่ส่งมาให้เดือนที่แล้วนั่นแหละก็ส0 0พบาทน่ะไปตัดชุดนี้มาห9ึ่บาทหมดตูดเลยแหละเราอึ้งโกรธ ด, ด้วยเงินฉันแท้ๆยังเผื่อจะมาไลาอ่อีกอุตสาห์ส่งเงินมาให้กินอยู่กับหลานกลับเอาเงินไปตัดชุดให้ผีบ้าผีบอที่ไหนมาไล่ลูกตัวเองเรารีบวางแผนในใจไม่ให้แม่รู้พอรุ่งขึ้นเขา อ, อีกวันหนึ่ง เราจะสำรับอาหารใส่ปิ่นโตให้แม่ไปทำบุญที่วัดและเมื่อแม่ไปอยู่วัดเมื่อเราอยู่บ้านคนเดียวเราก็ทำการค้นสิ่งที่เราต้องการค้นหาให้เจอนั่นก็คือขันผีที่ไปรับมาจากเจ้าพ่อและไม่นานเราก็หาจนเจอเราก็จัดการคว้างมันลงพื้นแล้วก็ก้าวข้ามไปข้า ม, มาปากก็ตะโกนไปว่ามึงมาทางไหนไปทางนั้นไอ้เร่ร่อนเรามโหคิดแบบบ้าดีเดือดไปเลย คิดวพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่มันเข้ามาสิงอาศัยอยู่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสู้อะไรกับเราได้เพราะว่าเราไม่ได้สรัทามันเราไม่กลั ว, วมันซะอย่างมันจะมาสู้อะไรกับเราได้ระหว่างที่ระโดดข้ามไปข้ามมาอยู่นั้นกับของในขันที่กระจัดกระจายปรากฏว่ามันเกิดลมหมุนขึ้นมาดูดพัดหมุนโอเซดฝุ่นละอองเป็นวงแล้วก็พัดออกถนนไปเราไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่มันก็น่าแปลกนะเพราะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมเวลาก็เป็นเวลาเกือบ20ป่ปีที่แม่ไม่มีอาการเหมือนเดิมแม่เปลี่ยนไป คือแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่ององค์เจ้าเข้าวทรงอะไรอีกเลยจนกระทั่งท่านเสียไปเมื่อ3ามปีที่ผ่านมานี้ยังไม่หมดนะยังมีอีกทีนี้เราจะพาไปฟังเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้ว25ปีบ้างตอนนั้นเรากับแฟนของเราได้ไปรับงานเหมาก่อสร้างที่รีสอร์ทแห่งหนึง่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยนําพาลูกๆไปเรียนด้วยในพื้นที่นั้นเราไปเช่าบ้านอยู่ ใ, ใกล้ๆ ก, กับโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่ริมลูกชายคนโตของเราตอนนั้นอายุแค่สิบขวบเรียนอยู่แชมป์ประถมศ คนเล็กก็เรียนอยู่ชั้นอนุบาลอ้อลืมบอกไปว่าบ้านที่เราไปเช่านั้นเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เก่าเจ้าของบ้านเดิมปลูกหลังใหม่แล้วก็ทิ้งบ้านหลังเดิมไว้ข้างๆเราก็เลยไปขอเช่าเขาอยู่เจ้าของบ้านก็ใจดีมากเลยแต่สัมผัสแรกที่เราเข้าไปเหยียบในอาณเขต บ, บ้านนั้นเราก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆนะบ้านหลังนี้ดูวงเวงน่ากลัวใช้ได้ทีเดียวแต่เนื่องจากว่าราคาเช่าก็ถูกและอีกอย่างใกล้โรงเรียนด้วย เราก็เฉยเพราะโดยปกติแล้วเราเป็นคนที่ไม่กลัวผีออกแนวว่าจะบ้าดีเดือดซะด้วยซ้ํากับเรื่องพวกนี้มั่นใจแล้วก็คิดตัวเองอยู่เสมอว่ายัางไงยังไงผีก็ต้องกลัวคนคนทําให้คนเป็นผีได้แต่ผีทําให้ผีเป็นคนไม่ได้เราเชื่อแบบนี้มาตลอดพอเราตกลงเช่ากันแล้วเราก็ย้ายเข้าไปอยู่กันเลยซึ่งช่วงแรกๆ ก, ก็อยู่กันสบายๆนะไม่มีอะไรแล้วอยู่มาวันหนึง่งลูกชายคนโตก็มีอันว่านอนไม่หลับคล้ายกับว่าจะมีอาการป่วยเขามีอาการมือเย็น พอเราถามถึงสาเหตุว่าเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเขาว่าระหว่างที่เขานอนอยู่นั้นมีคนมายืนมองเขาแล้วก็ไม่ได้ยืนมองอย่างเดียวด้วยนะยืดตัวขึ้นได้แล้วก็หดตัวลงไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแต่ว่าทั้งคืนเดี๋ยวก็ยืดติดเพดานเดี๋ยวก็หดตัวลงมาติดเตียงเขาบอกว่าเขออาขยับไม่ได้เลยจะร้องก็ร้องไม่ออกจะหลับตาหนีก็ทําไม่ได้ได้แต่มองอย่างเดียวเขาบอกว่าเขากลัวมากเราก็เลยพาเขาไปไหว้พระ หาจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแต่ทว่าทุกอย่างก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ยังคงเจออยู่เช่นเดิมถี่ขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นแทบจะทุกวันจนเราไม่ได้นอนต้องเอาลูกมากอดไว้ในอกเขาถึงได้หลับได้เหมือนกับว่าสิ่งนั้นทําได้แต่ลูกเราแต่ทําอะไรเราไม่ได้ทำให้ว่าระหว่างที่เราเอาศัยอยู่ที่บ้านนั้นเราก็กอดลูกนอนทุกคืนและปัจจุบันนี้ลูกชายคนนี้ก็กลายเป็นนายทหารเทศแล้วแหละไม่รู้ว่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราจะอายไหมนะไปต่อกันอีกเรื่องดีกว่า ทีนี้ไปฟังเรื่องราวจากคุณตาของเราบ้างคุณตาของเราเป็นหมอช้างคือตั้งแต่สมัยพุทธศักราช 2,500 ถึงพุทธศักราช 2,528 คุณตามีช้างอยู่หนึ่งเชือกเอาไวรับลากไม้ในป่าอยู่ถแถวแถวจังหวัดตากซึ่งะเวลานั้นตอนนั้นยังมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่มากมายเท่าแก่ก็จ้างช้างของตาให้ไปลากไม้ออกมาจากป่าให้ตามีเรื่องเล่าเยอะแยะด้วยเพราะว่าตาเข้าป่าไปแต่แตละครั้งก็ต้องเข้าไปอยู่ทีละนา น, น, น ที่นานะหมายความว่าเดินถึง2เดือนเลยนะแต่ละครั้งจึงจะกลับเข้ามาในอำเภอทีนึงตาของเรานี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีอาคมคาถาติดตัวสามารถอยู่ในป่าได้อย่างสบายๆเวลาส้างของใครมีอาการตกมันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตาอยู่นี้ก็คือแถวจังหวัดตากเขาก็จะมาตามตาให้ไปทําพิธีสะกดช้างให้ตาจึงได้มีชื่อเสียงในด้านปราบช้างตกมันดังมีเรื่องราวที่บันทึกไว้คือมีอยู่วันหนึง่งมีคนจากจังหวัดตากมาตามตาที่บ้าน คำมะบอกกับตาว่ามีช้างตกมันฆ่าคนตายไปแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเอาช้างเพราะว่ามันยืนตาขวางหูพึ่งเตรมจะทำร้ายใครที่เข้าไปใกล้มันคำมาบอกตาด้วยความร้อนใจแล้วก็ตั้งใจว่าจะมารับตาให้ไปช่วยนี่แหละเมื่อตาเราได้ฟังความก็ขอตามไปด้วยเลยเพื่อที่ตาจะไปดูให้เห็นกับตาว่าตาจะทำวิธีไหนเพื่อปราบช้างตกมันลงได้บ้างแล้วเมื่อได้ไปถึงและเจอตัวกันตาก็ใช้ไม้ไหวเก่าเก่ายาวไม่ถึงเมตรอันประมาณนิ้วชี้ ตาถือไม้อันนั้นแล้วก็เดินเข้าไปหาช้างคนเดียวเจอยัดถมืนยืนตทำงานเผชิญหน้ารอตาทุกคนที่เห็นเหตุการณ์มีหลายคนเป็นห่วงตาและหลายคนก็มั่นใจว่าตาทําได้เป็นที่น่าประหลาดใจช้างยืนนิ่งตาเอาไม้ไหวที่ถือไปขอไปที่ศีรษะช้างเบาๆแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างที่ฟังไม่ได้สัตว์เบาๆท่องไปครู่ใหญ่เลยและเมื่อตาท่องคาถาจบลงปรากฏว่าช้างตกมันตัวนั้นไม่มีแล้วกลายเป็นช้างที่สงบสงเสงี่ยมเรียบร้อย เดินตามตาออกมาอย่างว่าง่ายทําให้เกิดความอัศจรรย์ใจกับคนที่เห็นเหตุการณ์ตาโรเก่งในเรื่องปรับช้างตกมันแถมยังเป็นคนที่ใจดีด้วยเวลาที่ตากินเหล้าป่าจนเย็นๆตาก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะให้ฟังซึ่งแต่ละเรื่องนั้นล้วนแต่น่าตื่นเต้นและพวกเราก็ชอบฟังกันซะด้วยมีอยู่เรื่องหนึ่งตาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตาไปรับลากไม้มีลูกน้องตามไปด้วย 3- าสี่คนระหว่างที่ทํางานลากไม้กันอยู่นั้น ลุงน้องของตาก็ได้ไปเจอกับงูเหลือมตัวใหญ่มากหนึ่งตัวมีล้ำตัวที่ยาวประมาณหเมตรได้เรื่องไม่ก็ ก, ก, ก, กว้นี่แหละแต่ทิตาเห็นก็ให้รู้สึกแปลกไม่ปกติเพราะว่ามันมีรูจมูกแค่หนึ่งรูตามความรู้ทิตาได้รู้มาเชื่อกันว่าเป็นงูโจที่ตาก็เลยบอกให้ปุ่มมันปล่อยกันไปอย่าไปยุ่งกับเขาตาเป็นผู้น่ากระบอกได้แค่นั้นแหละส่วนมันจะเชื่อเรื่องไม่เชื่อก็แล้วแต่มันและทิตาเห็นมันก็ไม่เชื่อตาซะด้วย มันเอาเชือกใหญ่มัดหัวก้อน ง, งูผูกติดกับต้นไม้ก้างกระท่อมที่พักแล้วก็เอาหางงูมัดไว้กับเสากระทร่อมมันเอามีดกรีดท้องงูตัว น, นั้นเป็นที่หนาทุ้งสารและหนาสั้งเวทและด้วยความเจ็บปวดทําให้งูตัว น, นั้นมันห ม, มวนตัวบิดเป็นเกลียวแรงบิดด้วยความทรมานของมันดึงเอาเสากระท่อมและต้นไม้หักสะบันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ทําให้เหล่าคนที่ทรมานมันสมเพชใดเลยพวกคนงานหัวเราะ ก, กันอย่างขบขันตายเห็นแล้วรู้สึกสมเพชและพองูตัว น, นั้นตายลง พวกเหล่านั้นก็นำเอามันมาทำอาหารกิ น, ก, นกันอย่างสนุกสนานและ อ, ร, อร่อยตาไม่ได้ร่วมกินด้วยไม่ได้นึกอยากมีแต่ความสงสารตาก็เลยเอาช้างไปอาบน้ําซึ่งอยู่ใกลห่างออกไปจากกระท่อมที่พักประมาณร้อยเมตรตาพาช้างไปอาบน้ํานานพอสมควรและเมื่อตาพาช้างกลับมาตาจึงได้รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นสิ่งที่ตาได้เห็นก็คือพวกลุมน้องของตาสี่คนกํำลังทะเลาะ ก, กันอย่างหนัก ทุกคนพลด่า ก, กันด้วยคำทยาบคายมโมโหหน้าดำหน้าแดงกันเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็มีการลงมือลงไม้ทำร้ายกันตาไม่ได้เข้าไปห้ามแต่จะมองยืนดูห่างๆสุดท้ายการลงมือกันระหว่างเืนฝูงก็รุนแรงขึ้นลงท้ายด้วยการหยิบใช้อาวุธมีแทงกันทั้งๆเธอเรื่องที่ทะเลาะ ก, กันก็ไม่น่าจะทะเลาะสรุปคือตายไปสองคนอีกสองคนก็โดนจับใครจะคิดว่าเหตุจูงใจเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ได้แต่สําหรับตาตาคิดว่า เกิดเพราะงูตัวนั้นไปกินงูเจ้าที่เขาให้ทั้งๆติดเตือนแล้วก็ไม่ฟังและนี่ก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดที่นํามาให้ฟังกันรอบนี้ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับเรื่องราวจากคุณาาย่าใจดีและอีก น, นหลายๆเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้กรุณาแบ่งปันมาครับก็ยังคงส่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับและช่วงนี้ไม่ได้ลงให้ฟังทุกวันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะครับเช่นเดิมครับ